บุ๊กทูหนึ่งร้อย cent คำวิเศษ adverboid เคยยังไม่เคยย้ำ encorene คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง ชูวิยัมเอสติสเอนเบอร์ลีโนไม่ยังไม่เคยเลยค่ะเนะ่อันคอร่าวน่ใครไม่มีใครอียูเ น, นนี่ยูคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะชูวิคอนาสอียุนชิเตียไม่ ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะนมีคอนสเนนยนทีอีกนิดอีกไม่นาน้แน่ผูคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมชูวิูเรสสลองเทีไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะแน่ มีเนื้อปลารสตลงก่ชีตอะไรอีกไม่อีกแล้วอังคอราอียอนเนนนิอคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมชูวิชาตุสตริงคีอังคอราอีนไม่ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะเนมี deziras เนนน อะไรบ้างแล้วยังไม่เลยยัมอี๋อังโคราวนี่นี่อ่ะคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมช่วยยัมมันจิสอีออนไม่ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะเน่มีมันจิสอังโคราวนี่นี่อมีใครอีก ไม่มีใครอีกแล้วอังโคลอยูเนนิยูยปลมีใครอยากรับกาแฟอีกไหมชูอังโคลอยูชาตุสคาฟอนไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ะเนเนนินยูปลีครุน า, าไปที่